สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในชิปเปียสุตอนที่476รำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าและนี่คือเสียงจากศรีบานข้าพเจ้าอวยพระพรและทรงนำพี่น้องที่รักทุกท่านที่ได้ฟังทุกวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราโดยพระเนจะ้าแนครับในเช้าวันนี้ คำอธิฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าก็ยังอยู่ในพระคัมภียอนบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเกียรติสง่าราศีที่พระคัมภีเรียกว่า glory นะครับ glory สง่าราศีเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อเราทนทุกข์เรามีความยากลำบากในการดเนินชีวิตและเรายังยึดมั่นในความเชื่อที่เรามีอยู่และเราฝ่าฟัน เดินฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเดินฟันฝ่าการข่มเหงเดินฟันฝ่าการเข้าใจผิดเดินฟันฝ่าความลําบากต่างๆเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อพระเยซูเราก็จะได้รับเกียรติที่พระเจ้าประทานให้อย่างแน่นอนพี่น้องครับโปเจริญพระเจ้าในวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบแป เธาทมยอนบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบแปดเป็นสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวถึงการทนทุกข์ของพระองค์นะครับข้อย7ิบเจ็ดยี่บแปดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกทีนี้ครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ ได้มันย้ายถึงความทุกข์แสนสาหัสในจิตใ จ, ใจขององค์พระเยซูคริสต์จนกนระทั่งพระองค์ได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการเห่งการนี้การเหตุการ์นี้ก็คือการทนทุกข์เรียกว่าพระมหาทุกข์หรือพระมหาทรมานตรงนี้นี่เองนะครับทําให้เรารู้ว่านี่คือความประสงค์ความสมัครใจของพระเยซูครับ ที่พระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์บังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ภายใต้ความจํากัดของมนุษย์และยอมรับความทุกข์ทรมานยอมถูกข่มเหงยอมถูกเที่ยนปีจนกระทั่งถึงความมรณาที่กางเขนเนะครับสิ่งนี้คือพระประสงค์ของพระเยซูที่รักเราทั้งหลายที่เชื่อฟังพระบิดาและทําตามน้ําันไทยของพระบิดาทําตามให้ตัวเองอยู่ในแผนของความรอดที่มาถึงมวลมนุษยชาติตั้งแต่ วางรากสร้างโลกหรือก่อนหน้านั้นพี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบแปดพระเยซูอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติพี่น้องครับการทนทุกข์ของพระเยซูทําให้พระบิดาได้รับเกียรติและมีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกเราได้ให้รับเกียรติแล้ว และ wow. เราจะให้รับเกียรติอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงการวนเวียนนะครับถ่ายเทไปมาระหว่างเกียรติที่พระเจ้า them, พระบิดาให้กับพระบุตรและพระบุตรก็ถวายเกียรติแด่พระบิดาเราเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ที่นี่นะครับเราเห็นความเท่าเทียมความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอยู่ที่นี่และเราก็เห็นถึงการถวายเกียรติการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ที่นี่จากตรงนี้นี่เองนะครับเราต้องกลับไปดู ว่าต้นตอของเกียรตินั้นก็คือความทุกข์ยากลาบากครับและพระเยซูทรงทราบและพระองค์ทรงสมัครใจและพระองค์ทรงด้วยความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์พระองค์ก็อยากจะท้นจากการแห่งการนี้แต่ด้วยความประสงค์ของพระบิดาและด้วยความสมัครใจของพระองค์ทำให้พระเยซู จะต้องสิ้นพรชนบนั่งเคหนทําให้พี่เยซูจะต้องได้รับความทุกข์ยากลําบากเพียงครับในชีวิตของพระเยซูนั้นถ้าเรามองนะครับชีวิตของพระเยซูมีช่วงที่แฮปปี้ครับมีช่วงที่มีความชื่นชมินดีมีช่วงที่มีสันติสุขมีช่วงที่มีความนิ่งเข้าหาพระเจ้าในขณะเดียวกันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือการทนทุกข์การถูกข่มเหงการถูกเยาะเย้ย ความลำบากต่างๆในการรับใช้พระบิดาในการปฏิบัติมวลชนในการเทศนาสั่งสอนเพราะในชีวิตของพระองค์นั้นก็จะเป็นมิก t ซอร์ของเดอะบิทเทอร์แอนด์เเหมือนกันก็คือเป็นชีวิตที่ผสมผสานไปด้วยความขมขื่นและความหวานชื่นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าชีวิตของพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายในเรื่องของการทนทุกข์ครับในเรื่องของการแฮปปี้หรือการมีความสุขนะครับ ในเรื่องของสุนทรียภาพพระเยซูก็มีพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นก็มีเหมือนกันในขณะที่เรามีนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแฮปปี้เนสหรือความสุขหรื อ, อสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นสุนทรียภาพที่ทําให้เรานั้นมีความชื่นใจเพราะว่าเราทุกคนนั้นก็มีนะครับและเราก็ไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าเราไม่เจ็บปวดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจ็บปวดเราเจ็บใจเรามีความขมขื่น เรามีความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นนั่นแหละครับเป็นเหตุที่ทําให้หลายๆคนนั้นจะท้อใจแผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเพิ่งท้อใจครับให้เรารวบรวมกําลังใจได้ที่ฐานทูลขอกับพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทนทุกข์นั้นมันเป็นสาเหตุมาจากการที่เราทับใช้พระเจ้าสาเหตุที่การจากการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าสาเหตุที่เราดําเนินอยู่ในความเชื่อฝังและเราได้รับความทุกข์ยากนั้น จงถือว่าความทุกข์ยากนั้นเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีครับจงถือว่าความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นที่เราลับอยู่นั้นเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้กับเราเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับเกียรติมากกว่าคนอื่นและเราอาจจะได้รับทุกข์มากกว่าคนอื่นนั้นก็ขอให้เราภาคภูมิใจว่านี่คือเกียรติของเราแม้ว่าจะเจ็บปวดพี่น้องครับแม้ว่าจะเจ็บใจแม้ว่าจะขมขื่นขอพระเจ้าเสริมกําลังพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับ ในการที่เราจะอดทนได้และเราจะเชื่อมั่นอยู่ในพัสัญญาของพระองค์ในพระธรรมยอญ น, นะครับและหลายหลายที่ทีเดียวที่เราได้อ่านมาก่อนจะจบในช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับข้อพิ่มพีที่เราทุกคนท่องได้ในโรมบทที่แปดข้อยี่สบแปดครับโรมบทที่แปดข้อยี่สิบแปดได้บอกว่าพวกเราทุกหลายทุกคนจะต้อง ท่องให้ได้นะครับพี่น้องครับโรมาที่แปดข้อยี่สิบแปดพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพิ่มพีเดิมนั้นภาษาเดิมนะครับใช้คำว่า συνεχίζω συνεχίζω συνεχίζω มีความหมายว่าผสมผสานกันครับ ซีเน <ữ> ก็คือมารวมกันแล้วกลายเป็นพลังมารวมกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลในดีนที่มีความหมายว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมันจะถักทอมันจะผสมผสานเข้าไปมันจะเสริมพลังกันนะครับป ร, ร, ร, ระสานพลังกันซีเนจ g y ประสานพลังกันแล้วกลายเป็นผลดีกับผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่เชื่อฟัง พ, พระองค์ เนียครับด้วยเหตุนี้ทําให้เราทั้งหลายแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่ยอมรับแผนการที่พระเจ้าส่งความทุกข์ยากลําบากเข้ามาในชีวิตของเราแต่อย่างน้อยครับเรามั่นใจและในขณะเดีวยวกันครับเราเห็นชีวิตของพระเยซูเราเห็นชีวิตของอักซูตเปาโลเราเห็นชีวิตของโมเสสหลายคนภาวนาเหมือนผมนะครับ อย้เกิดความทุกข์ยากลาบากมากถึงขนาดนั้นเลยพรงเจ้าค่ะแต่ท่านอันคเปาโรบอกว่าความอ่อนแอปรากฏที่ไหนริเดทยิ่งมากครับความอ่อนแอยิ่งมากแค่ไหนริเดทปรากฏยิ่งมากพี่น้องครับหากเราเราไม่ได้เลือกความทุกข์ยากลาบากครับแต่หากความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวของเราโดยการอนุญาตของพระเยซูด้วยความสมัครใจ ของเราหรืออาจจะเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่จะให้เราได้รับเกียรติทุกยากเพื่อพระองค์ก็ขอให้เรามีกำลังใจขอให้เราเดินหน้าต่อไปขอให้เราสู้ต่อไปเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะตั้งอยู่ในโลกนี้และเพื่อชีวิตของเราจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าบ้างอาเมน